ช่วงนะก็จะไม่เพียงแต่ขึ้นวันใหม่ขึ้นเดือนใหม่นะแต่ยังเป็นการขึ้นสักระาชใหม่ด้วยซึ่งหลายคนก็ปรารถนาจะให้เป็นโอกาสสำหรับการมีชีวิตใหม่ปีใหม่ที่จริงมันก็เป็นแค่สมมตินะถ้าเป็นซักเมื่อเจ็สิกว่าปีก่อนเนี่ยวันปีใหม่คือ1เมษานะนเมษายน์ ใครที่เกิดเดือนม ก, กราเนี่ก็ถือว่ายังอยู่ปลายปีน ะ, ะขึ้นหนึ่งเมษาเมื่อไรเนี่ยจึงจะขึ้นปีใหม่แต่ปัจจุบันหนึ่งเมษานี่มันก็ไม่เคยมีความหมายนะสำหรับคนไทยเท่าไหร่มันต้องหนึ่งม ก, กราไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่เนี่ยนะพอใกล้ถึงวันที่หนึ่งม ก, กราก็รู้สึกมีความสุขนะเพราะว่า บรรยากาศรอบตัวมันเป็นบรรยากาศแห่งความสนุกสนานเฉลิมฉลองนะเราเฉลิมฉลองกันนะก็ก็เพื่ออะไรนะเพื่อต้อนรับปีใหม่ด้วยความเข้าใจว่าการเฉลิมฉลองหรือว่าการสร้างความรู้สึกดีๆมันจะเป็นนิมิตหมายของการที่จะเปิดสักการะมาให้กับตัวเอง ให้ชีวิตนี้ประสบความราบรื่นะแต่ว่าหลายคนก็เลือกที่จะมาทำสิ่งดีๆมากกว่าการสนุกสนานนะเช่นแต่ก่อนนี่ก็นิยมใส่บาตรนะวันที่หนึ่งมกราสมัยเจตามาเด็กๆนี่ก็นิยมกันใส่บาตรที่ท้องสนามหลวงนะก็มีประเพณีามาใส่บาตรกันที่สนามหลวง แต่เดี๋ยวนี้เราจะรู้สึกว่ามันเริ่มช้าไปนะมันต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนขึ้นศักการะไปก็คือเริ่มตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนของ31อธันวาเลยเเกิดธรรมเนียมสวดมนต์ข้ามปีหรือว่าเกิดธรรมเนียมมาปฏิบัติธรรมนะกันก่อนที่จะถึงสิ้นปีเก่า นะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองนะเพราะว่าสิริมงคลที่เราเริ่มณนะวินาทีแรกของปีมันก็จะเป็นนิมิตหมายนะของการที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบรื่นและมีความสุขเพราะว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ตามเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นให้ดีให้สวยนะ ก็เหมือนกับเราขึ้นบ้านใหม่นะอ่าเราก็ตั้งใจว่าถ้าเราเริ่มต้นอะไรนะด้วยสิ่งที่เป็นบุญกุศลด้วยความดีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นนิมิตหมายนะที่จะทำให้หลังจากนั้นเนี่ยมันดีไปด้วยนะอันนี้เป็นความเชื่อเป็นความหวังเป็นการเสริมสร้างกําลังใจแล้วก็ตามเนี่ยนะอ่าปีใหม่เนี่ยมันจะ น, นิมิตหมายของชวิตใหม่ได้อย่างแท้จริงเนี่ยเราก็ต้องวางจิตวางใจถูกต้องอเพียงแค่จะมาใส่บาตรมันที่หนึ่งมกราหรือว่าสดมนต์ข้ามปีหรือว่าม า, าทำสิ่งดีๆเช่นเป็นจิตอาสาไปาช่วยเหลือเด็กยากไร้คนที่ลำบากยากจนเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลนุนส่งให้ชีวิต ในสักการใหม่นะมันราบรื่นเท่านั้นคงไม่พอนะมันต้องอาศัยการวางจิตวางใจที่ถูกต้องอเริ่มตั้งแต่ว่านะให้ใจของเราเนี่ยนะมันเป็นใจที่ใหม่จริงๆตัวเราอยู่ปีใหม่แต่ถ้าใจเรานะยังอยู่ปีเก่าเนี่ยชีวิตใหม่มันก็เริ่มต้นไม่ได้หลายคนเนี่ยนะแม้เนี่ย ก้าวเท้าเนี่ยเข้าสู่ศักราชใหม่นะซึ่งจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแต่ว่าใจเนี่ยก็ยังเก่าอยู่นะเพราะว่ายังยังจมอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตนะจะเป็นความพัดพราความสูญเสียหรือว่าความผิดพลาดในอดีตการถูกกระทาการแกล้งย่ำยี ทำให้เกิดความโกรธแค้นถูกหลอกถูกโกงหลายคนเนี่ยแม้ว่าปีใหม่จะผ่านไปแล้วปีเล่านะแต่ว่าใจเขาก็เนี่ยก็ยังอยู่นะกับอดีตเมื่อสิบปีที่แล้วหรือบางทีก็ถอยลังไปถึง20สิบปีที่แล้วก็มีไหนไหนเนี่ยจะขึ้นปีใหม่แล้วนะถ้าอยากให้ชีวิตใหม่เนี่ยก็ต้องสลัดจิตสลัดใจนะ ออกจากพันธนาการที่มันเป็นโซ่รัดรึงเราเอาไว้อดีตเนี่ยมันสามารถจะเป็นโซ่ที่ล่ามหรือว่ารัดรึงเราไม่ให้จิตใจเราเก้าวไปข้างหน้าได้นะทำยังไงเราถึงจ ะ, ะสลัดพันธนาการที่ล่ามจิตใจเรานะไม่ให้เคลื่อนไปสู่สักรารใหม่หรือชีวิตใหม่เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือการยอมรับยอมรับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่มันจะเจ็บปวดขมขื่นเพียงใดหรือชวในให้คับแค้นเพียงใดเนี่ยก็ต้องยอมรับนะยอมรับนะไม่ว่าเราจะเคยถูกโกงนะถูกอารัดอะเปรียบนะหรือว่าเราจะเคยทำผิดทำพลาดกับบุปการีกับคนรักนะคนเรานี่มันผิดพลาดได้เสมอนะถ้าเรารู้จักให้อภัยใ ห, ให้อภัยทั้งให้อภัยผู้อื่นแล้วก็ให้อภัยตัวเองด้วยเนี่ย มันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถจะหลุดจากโซดตรวนของอดีตได้มีบางคนนะถูกกงโกงถูกโกเงินไปสามหมื่นนะมีเพื่อนบ้านยืนไปสามหมื่นเมื่อสิบปีที่แล้วยืนไปแล้วก็ไม่ยอมคืนนะเจอหน้าก็ทำเป็นหนีหรือบางทีก็สะบัดหน้านะเวลาเขาพูดถึงคนคนนั้นหรือเหตุการณ์นั้นเขาก็จะมีความโกรธมาก ก็ยังมีความทุกข์ใจอยู่แม้เวลาผ่านไปสิเป็นเวลา10ปีแล้วลองนึกดูนะไอความโกรธเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงความทุกข์ที่มันหมายถึงความสุขที่สูญเสียไปและความสุขที่สูญเสียไปถ้านับเป็นนะเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเนี่ยคงเยอะนะรวมกันแล้วนี่ก็อาจจ ะ, ะเป็นเวลาหลายเดือนทีเดียวที่ โกรธสะสมกันมาตลอดสิบปีที่ผ่านมารวมกันแล้วอาจจะเป็นเวลาหลายเดือนนะเอาสามสิบนะคูณ24สเข้าไปมีกี่ชั่วโมงนะแล้วถ้าเกิดว่าชั่วโมงเนี่ยของความสุขที่สูญเสียไปคิดเป็นเงินนะเอาร้อยบาทนะคิดเป็นเงินร้อยบาทที่จริงมันมากกว่านั้นนะความสุขเนี่ยึงชั่วโมงนี่มันมากกว่าร้อยบาทบางคนอาจจะตีค่าเป็นพันบาทก็ได้แล้วลองคานวณดูเส้นนะ ไอ้ความความโกรธแค้นที่ที่ถูกชักดาบไปส0ม0 0ื่นบาทนะเมื่อเถอความสุขที่สูญเสียไปเนี่ยซึ่งคิดเป็นตัวเงินแล้วมันอาจจะเป็นหลายหมื่นนะหลายหมื่นมันคุ้มกันไหมบางทีอาจจะเป็นหลายแสนด้วยนะลองใช้นะสติปัญญาไตรตรองหน่อยก็จะพบว่ามันไม่คุ้มเลยนะที่จะมายังโกรธอยู่ให้อภยัยเขาไปเถอะนะรวมทั้งให้อภัยตัวเองด้วยถ้าเราให้อภัยตัวเอง นะเราจะเคยทํทาปีติทำาดกับุปการีพ่อแม่อาจจะเคยต่อว่าด่าทอท่านอาจจะเป็นเพราะว่าท่านไม่เชื่อฟังเรานะเลือดเจรเปพราะหลุดปากด้วยความโกรธด่ดาไปเพราะตอนนั้นยังขนองให้ภัยตัวเองซะเราจะได้นะหลุดจิตใจเราจะได้หลุดจากโซ่ตรวนนะจะได้ก้าวไปข้างหน้าได้บางครั้งเนี่ยอาจจะมีความ เหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราเช่นความสูญเสียนะความเจ็บป่วยถ้าเราลองใคร่ครวนดูนะเหตุร้ายๆแนนดีตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่บั่นทอนชีวิตจิตใจเราอย่างเดียวนะถ้าเรามองมันดีๆเนี่ยมันมีคุณประโยชน์เพียงแต่เราจะมองไม่เห็นเท่านั้นเองมีผู้ชายคนหนึ่งนะแกเป็นโรคหัวใจนะ ตัวหัวใจที่แกเป็นนี่มันก็ค่อนข้างแรงพวกเราคงมีใครอยากเป็นนะอนพอก็เป็นแล้วเนี่ยนะเขาก็าเสียศูญอยู่พักหนึ่งนะเพราะว่ามันหมายถึงความตายที่ใกล้เข้ามาแต่ว่าเข า, าไม่ยอมที่จะตายง่ายๆเขาก็พยายามปรับตัวเช่นปรับปรับการใช้ชีวิตปรับการบริโภค นะเรี่ยงอาหารที่เป็นเนื้อนมไขนะ่ออกกำลังกายมันก็ยังไม่ได้ช่วยเขาเท่าไหร่นะไอความโกรธตายมันทำให้เขาต้องไปค้นคว้าว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมเขาปรับตัวปรับการใช้ชีวิตแล้วมันยังไม่ดีขึ้นก็พบว่าเนี่ยชีวิตเขาเป็นชีวิตที่ไม่ค่อยสูงสิงกับผู้คนเท่าไหร่นะเขาเจองานวิจัยที่บอกว่าเนี่ยคนที่ตัดตัวเองจากคนอื่นนะ อยู่เดียวอยู่เดียวได้เนี่ยนะมีโอกาสตายด้วยโรคหัวใจเนี่ยเป็น3เท่าของคนที่มีชีวิตที่เรียกว่าสัมพันธ์นะเชื่อมโยงโอภาปสายกับผู้อื่นให้ด้ยวยความกลัวตาย เ, ยเขาเลยนะพยายามพยายามเปิดตัวนะไปทํากิจที่เป็นงานสังคมเป็นจิตอาสานะแล้วก็พบ ว, ว่าพอเปิดตัวสู่คน รอบข้างก็มีความสุขนะและสุขภาพก็ก็ดีขึ้นโรคหัวใจที่สุดก็หายเมื่อมองย้อนกลับไปเนี่ยถึงตอนที่เขาไปโรคหัวใจเนี่ยซึ่งตอนนั้นเขาคงคิดว่ามันเป็นความมันเป็นเคราะห์นะเขคิดต่อไปได้วยว่าเนี่ยเขาทำความดีมาสร้างมูลสร้างกุศลทําไมมาเป็นโรคแบบนี้แต่มาถึงตอนนี้แล้วเขากลับบอกว่าเนี่ยโรคหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเขานะ โรคหัวใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเพราะอะไรเพราะมันทำให้เขาเนี่ยเปลี่ย น, นยชีวิตตัวเองออกไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็เป็นมิตรกับผู้คนเป็นกิจอาสาต่างๆขอบคุณโรคหัวใจนะผู้ติยา น, นี่คือขอบคุณโรคหัวใจอีกคนนึงเนี่ยเสียเสียลูกนะอายุยังแค่ส5เองนะลูกไปจมน้าตายที่ต่างประเทศ เธอเซลเซียจใจแล้วก็รู้สึกแย่มากเพราะว่าตัวเองเป็นคนอนุญาตให้ลูกนะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศถ้าให้อนุญาตให้ลูกไปก็ลูกคงไม่ตายเธอก็โกรธแค้นแล้วก็นะโบยตีนะตัวเองว่ามีส่วนทําให้ลูกตายรู้สึกผิดมากนะแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเธอเนี่ยมันทำให้เธอเนี่ยจับพัดจับพลูนะ ไปปฏิบัติธรรมที่วัดจัพระจัปูคือไม่ได้อยากไปหรอกแต่เพื่อนแนะนำผลักดันให้ไปและพอไปปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตดีขึ้นจิตใจเพราะความสงบนะยอมรับความตายของลูกได้ว่ามันเป็นธรรมดาของมนุษย์รวมทั้งสามารถที่จะปลดเปื้องความรู้สึกผิดออกไปจากใจอาศัยสตินั่แหละนะเวลามันมีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นก็มีสติรู้ทันพอรู้ทันก็วาง ใจิตใจพ่อความสงบนะเป็นความสงบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะสงบกว่าตอนที่ยังไม่เสียลูกซะ อ, อีกนะถึงเธอถึงกระ บ, บอกว่าเนี่ยขอบคุณนะความตายของลูกที่ทำให้แม่ได้มาพบกับธรรมะนะไอตอนที่เสียลูกเนี่ยโอมันมันเป็นยิ่งกว่าเคราะร้ายสิกนะเธออาจจะคงอาจจะกลด่าชะตากันว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นนะแต่ตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับไปอย่างเหตุการณ์นั้นเนี่ย เธอก็อดไม่ได้ที่จะขอบคุณนะความตายของรูกเป็นสิ่งคุ้มค่านะที่ทำให้แม่ได้มาพบกับความสุขนะความสงบในจิตใจนะที่จะมาเล่ามาแต่ละเคสแต่ละเคสมันใหญ่ทั้งนั้นนะซึ่งช่วยของเราอาจจะเจอไม่น้อยไปก่อนนะั้นหรืออาจจะเบาวกว่า น, นั้นแต่ถ้าเราไอ่ดีๆเนี่ยนะมันมีประโยชน์นะซึ่งถ้าเรามองเป็นนะเราอาจจะขอบคุณเหตุการณ์เานั้นก็ได้ ที่มันทำให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ถ้าเรามองแบบนี้มันทำให้เราเนี่ยหลุดนะจากเหตุร้ายในอดีตได้และทำให้เราเนี่ยพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้านะสรวคนที่ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องรัดรึงนะจิตใจให้ไปอยู่กับอดีตนะเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะในการที่จะอ่าก้าวไปข้างหน้า ในการที่คนเราเนี่ยจะกล้าไปข้างหน้าเนี่ยนะเราก็ปรารถนาจะให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้ประสบกับความสำเร็จนะบางคนก็อาจจะปรารถนาจะให้เกิดโชคเกิดลาบนะเกิดความมั่งมีสีสุขนะอันนี้เนี่ยก็จะว่าไปแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่แน่เสอมอไปนืว่าถ้าเกิดสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ทำให้เรามีความสุขจริงๆ นะเพราะว่าแม้มันจะเกิดขึ้นนะแต่ถ้ า, าว่าเราไม่ได้ฝึกใจเตรียมใจไว้เลยนะมันก็อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดความสุขอย่างที่เราคิดก็ได้คนเรามาคิดว่าเนี่ยนะขอให้โชคดีไว้ก่อนเนี่ยเป็นดีที่สุดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะมันยังไม่สําคัญเท่ากับการทําดีนะการทําดีเนี่ยจะเป็นเครื่องช่วยทําให้ ทุกภัยเนี่ยมันไม่หรือความเดือดร้อนใจเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นกับเราแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นเลยนะเพราะว่าทำดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องเจอนะเจอความทุกข์เจอความล้มเหลวเจอคาต่อว่าด่าทอหรือว่าเจอความเจ็บความป่วยเพราะฉะนั้นทำดีไม่พอนะต้องทำใจให้ดีด้วยทำดีแล้วใจดีด้วยเนี่ยนะมันจะช่วยได้เยอะเลย ใจดีในที่นี่มันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะมันต้องฝึกนะถ้าใจเราดีแล้วเนี่ยนะก็คือว่ามีธรรมะนะมีสติมีปัญญาแม้มันจะมีเคราะห์มีมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถกระเทือนมาถึงใจเราได้ ต, ตัวอย่างที่เล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยนะมันก็เป็นเป็นตัวอย่างคนที่เขาเนี่ยเค้ารู้จักหาประโยชน์ จากสิ่งเลวร้ายนะซึ่งเราเรียกว่าโล ก, กธรรมฝ่ายลบ ก, ก็คือความเสื่อมราบเสื่อมยศนะความทุกข์เช่นเจ็บป่วยรวมทั้งคำนินทาต่อว่าในะส่ร้ายเป็นต้นมันเป็นธรรมดานะที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะจึงเรียกว่าโล ก, กธรรมนะก็คือสิ่งที่ทำให้โลกเนี่ยมันมันขับเคลื่อนไปนะฝ่ายบวกใครๆชอบแต่ฝ่ายลบไม่มีใครชอบ แต่ถึงแม้มันจะเกิดขึ้นนะถ้ากว่าเราฝึกใจไว้ดีนะมันก็ทำอะไรจิตใจเราไม่ได้นะเสียทรัพนะมันก็ก็เสียแค่ทรัพนะแต่ว่าใจไม่เสียใจป่วยนะก็ป่วยแต่กายนะใจไม่ป่วยนะเพราะอะไรนะเพราะหนึ่งรู้ว่ามันเป็นธรรมดานะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนและเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ และสองก็เพราะว่าไม่ได้มีความยึดติดถือมั่นนะในสิ่งเหล่านั้นถ้าเรายึดติดถือมั่นในทรัพย์สมบัติเนี่ยนะพอมันหายหรือว่าถูกคนโกงไปผ่านไปกี่สิปีนะก็ยังทุกข์เพราะมันนะยังคิดว่ามันยังเป็นของเราอยู่ทั้งน้นที่เ ง, เงินที่ให้เขายืมไปหรือเงินที่ถูกโกงเนี่ยมันเป็นของใครไปแล้วก็ไม่รู้ พ่อๆมันผ่านไปแล้วเนี่ยสิบยีปีแล้วมันไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นของใครก็ไม่รู้นะไอ้ที่มันอยู่กับเราเป็นของชั่วคราวนะถ้าเราปล่อยวางมันได้เนี่ยนะมันก็เสียแต่เงินนะแต่ใจไม่เสียคนเราถ้าใจเสียแล้วนะสุขภาพก็เสียตามพอสุขภาพเสียใจเสียงานก็เสียทํางานไม่ได้ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะเสียไปด้วยเสื่อมซามไปด้วยเพราะว่า อารมณ์หงุดหงิดนะหน้าตานะหน้าตามันบ่งบอกไม่มีใครอยากเข้าใกล้นะเพื่อนก็ไม่อยากเข้าใกล้ลูกหลานก็ไม่อยากเข้าใกล้เพราะว่าอารมณ์เสียใส่คนรอบข้างแต่ถ้าเราปล่อยวางได้นะเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของที่จะยึดติดถือมั่นได้เลยสิ่งที่เรามีมันก็เป็นของที่อยู่กับเราเพียงชั่วคราวอย่างนี้เราปัญญาณนะ มันถ้าเรามีปัญญาแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ใจไม่ทุกขนะ์เสียก็เสียแต่เงินใจไม่เสียป่วยก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยมินด์ดำซ้ำเนี่ยยังได้ประโยชน์ด้วยนะก็คือว่าเห็นธรรมจากสิ่งเหล่านี้มากขึ้นสิ่งล้ายๆมันไม่ใช่ว่าจะจะไม่มีประโยชน์นะถ้าเรามองให้ดีมันเป็นมันมีประโยชน์มันสอนใจเรานะ ทั้งให้รู้จักไม่ประมาทนะสอนใจเราให้มีสติและสอนใจเราให้เห็นสัจธรรมความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรที่จะยึดให้จิรังยั่งยืนได้อันนี้ล่ะนะก็คือคุณภาพจิตนะที่เราควรจะสร้างเอาไว้แล้วมันจะเป็นหลักประกรันที่ทำให้เรามีความสุขนะในปีใหม่นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ในทางตรงข้ามเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกจิตเอาไว้นะแม้มันจะมีโชคมีลาบเนี่ยมันกลับจะกลายเป็นโทษก็ได้กลายเป็นทุกขลาบขึ้นมาถ้ามีคนหนึ่งนะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะแกก็ดีใจนะกระโดดโลดเต้นนะชูล็อตเตอรี่ไปที่ตลาดแล้วก็ตะโกนว่านะกูถูกล็อตเตอรี่กูถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแกดีใจนะดีใจจนลืมตัวนะอยากจะประกาศให้โลกรู้นะว่า โชคดีเว้นะถูกรัตติเร็วที่หนึแล้วก็ช่วงนั้นเองแกอาจจะคิดนะในใจว่าเนี่ยต่อไปนี้กูไม่จนแล้วต่อไปนี้นะลาก่อนความจนลาก่อนหนี้สินนะไม่จนแล้วนะคงคิดแบบนี้นะในใจพราจูๆ่ๆแกก็ฉีกรัตติรี่นะเป็นชิ้นๆเลยนะฉีกรัตติเป็นชิ้นพอฉีกเสร็จจึงค่อยรู้ตัวว่าทําอะไรลงไป มองเศษลอตเตอรี่ที่เป็นชินช้นๆแล้วก็พยายามมาต่อกันแต่มันต่อไม่ได้แนละ้วจากที่เคยดีใจนะกลายเป็นเสียใจแบบบูบเลยนะนะซึมเศร้าหรือล้มฟุบไปเลยนะลยลปปลยนะแล้วก็บ้ากลายเป็นคนบ้าไปเลยเนี่ยคิดดูนะคนเจอโชคคนมีโชคนะรถถูตตรถตัวเลือกอันที่หนึ่งเรียกว่ามีโชคโชคดีแต่ถ้าใจไม่ดีนะ ก็คือว่าลืมตัวไม่มีสตินะมันกลับกลายเป็นโทษลองคิดดูดีๆนะโชคดีไม่ไม่สู้ใจดีไม่ได้โชคดีนะ่สู้ใจดีไม่ได้ถ้าใจดีแล้วแม้จะเจอโชคไม่ดีนะมันก็ไม่เพียงแต่ว่าใจไม่ทุกนะแต่ยังหาประโยชน์จากโชคเหล่านั้นได้ เช่นเจ็บป่วยนะก็เห็นธรรมจากความเจ็บป่วยว่าเออนะความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราเห็นถึงความไม่เที่งของสังขารเห็นถึงความเป็นอ น, นิจจังประมาทไม่ได้วันนี้ป่วยเท่านี้วันหน้าอาจจะหนักกว่านี้อย่างนี้เราว่าความป่วยเนี่ยมาทำให้เราฉลาดอย่างที่อาจารย์พุทธทาสบอกเอี่ความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาดนะก็คือเกิดปัญญาคนที่จะ ทำอย่างนี้ได้เนี่ยใจต้องดีนก็คือมีสติมีปัญญา เ, าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าหากว่าเราต้องการให้ชีวิเราเนี่ยเจริญก้าวหน้านะมีความสุขในปีใหม่แล้วก็ในปีต่อๆไปนะอย่าวังพึ่งโชคนะอย่าไปหวังคิดว่าเออมันอยากจะให้มีโชคดีเกิดขึ้นกับเราบางคนสวดมนต์ข้ามปีก็เพราะว่าอยากจะให้มีโชคดีเกิดขึ้นกับเราในปีหน้า พยายามทาบุญมากๆเพื่อว่าจะได้มีโชคนะนะอย่าลืมนะว่าโชคดีมันสู้ใจดีไม่ได้นะนะเพราะฉะนั้นก็นะขวนขวายนะฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดีให้มีคุณภาพจิตที่ดีมีสติมีความรู้สึกตัวมีปัญญานะโดยมีความเพียรเนี่ยนะเป็นตัวขับเคลื่อนอันนี้แหละนะถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐ คำพรเนี่ยมันแปลว่าสิ่งประเสริฐนะสิ่งประเสริฐเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไปเข้าใจใ ห, หมายถึงโชคราบนะหรือว่าอายุวันณ่สุขะพ ร, ะราเป็นต้นเก็จอพรสีประการจะตุลพิทพรชัยนะแต่ว่าพรที่ว่านี่มันยังสู้นะใจดีใจมีธรรมะไม่ได้มีเงินมากเท่าไหร่นะแต่ถ้าากว่าวางใจไม่เป็นนะมันก็กลุ่มใจนะ หลายคนเนี่ยอานที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่เพราะอยากจนนะบางคนก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรแต่ว่าโรคซึมเศร้ามันเล่นงานหรือว่าเจอความผิดหวังในชีวิตรักนะมีเงินเยอะแยะนะแต่ก็ฆ่าตัวตายมันแปละอะไรแปลว่าเงินทองเนี่ยมันไม่ใช่หลักประกันแห่งความสุขอย่างแท้จริงมีหมอคนนึงนะมาทำธุรกิจแล้วก็ธุรกิจก็จเจริญมากถ้าเรียบมองอย่างชาวบ้านคือาเป็นคนมีโชค นะทำธุรกิจก็เจริญต่อมาก็ได้แต่งงานกับนักธุรกิจนะนักธุรกิจกับนักธุรกิจเจอกันเนี่ยโอธุรกิจก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองเข้าไปใหญ่มีเงินก็คงจะเป็นสิบล้านร้อยล้านแล้วนะแล้ววันหนึ่งปรากฏว่าสามีเนี่ยเาเขาเลิกเขาขอเลิกก็ไม่รู้ว่ามีผู้หญิงคนใหม่หรือเปล่านะตัวหมอที่เป็นผู้หญิงนะแกถึงก็เสียสูรเลย น, นะ รู้สึกเลยนะว่าเกิดความรู้สึก ข, ขึ้นมาว่าเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยฉันไม่เหลืออะไรเลยที่จริงยังมีอีกต้องเยอะแยะนะพ่อแม่ก็ยังอยู่นะลูกก็ยังมีทรัพย์สมบัติก็ยังไม่ได้หายไปไหนรถยนต์บ้านรวมทั้งเพชรพลอยแต่ตอนที่สามีเลิกหรือทิ้งนี่เสียศูนย์ไปเลยไม่เหลืออะไรเลยไอ้เงินที่มีอยู่มันช่วยให้ใคลายทุกข์ไม่ได้เลยนะ แม้ว่าจะมีเป็นร้อยล้านเนี่ยเธอเล่าว่าเนี่ยตอนที่ยังไม่มีเรื่องเนียชีวิตยังราบรื่นเนี่ยว่างๆก็เอาเพชรเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยนะหลายสิบเม็ดเนี่ยมาโอยนะเวลามาโอยเนี่ยมีความสุขมากเลยนะโอยเพชรนี่มันเห็นแล้วมีความสุขแต่พอสามีทิ้งนะเสียสูญขึ้นมาเนี่ยเอาเพชรมาโรยนะ มันไม่มีความสุขเลยมันเฉยมากเหมือนกับเป็นก้อนหินหรือก้อนกรวดนะตอนนั้นเธอได้รู้เลยนะว่าเวลาทุกข์ใจนะไอ้เงินมันช่วยอะไรไม่ได้้เธอยังรวยอยู่นะไม่ได้ไม่ได้สูญเสียาลาบไม่ได้สูญเสียทรัพย์สมบัติแต่เงินมันไมไ่ช่วยให้เธอคลายความทุกข์ได้เลยถึงตอนนั้นแหละที่รู้ว่าธรรมะนี่นแหละนะที่มันจะช่วยคลายทุกข์ได้ไม่ใช่เงิน และธรรมะคือสิ่งที่ทำให้ใจเนี่ยดีนะนัจึงบอกว่าโชคดีเนะี่ยมันสู้ใจดีไม่ได้นะในโอกาสเนี่ยในที่เราจะปรารถนาจใจช่งเราเนี่ยจะเลยงอกงามนะก็ควรจะให้ความสําคัญกับการที่มาสร้างนะทำความเพียรเพื่อให้ใจดีนะอันนี้แหละคือพอรที่ประเสริฐนะมีเรื่องเราวาสมัยที่หลวงปูด่ดูพรหมปัญโยนะท่านยังมีชีวิตอยู่เนะนี่ยหลวงปู่ดูเนี่ยท่าน นะเป็นเป็นพระเทมหาเทระที่มีคนนับถือมากนะท่านอยู่วัดสกายุทธยาหลายคนเคยได้ยินชื่อท่านมีคราหนึ่งเนี่ยมีพระซึ่งบวชได้เดือนหนึ่งนะจะมาขอศึกนะก็มาหาท่านนะไม่ได้มาศึกกับท่านนะแต่ว่าจะมาขอพรท่านก่อนที่จะศึกไปเป็นคารวานะมาบวชได้เดือนหนึ่งก็หวังว่าเนี่ยนะ ถ้าหลวงพ่อเนี่ยดน้ำมนต์นนะเขาก็จะประสบนะความสุขสวัสดีเมื่อศึกออกไปหลวงพ่อต้องก็ทำให้นะระหว่างที่หลวงพ่ อ, อพรมน้ำมนต์ให้เนี่ยเขาก็ตั้งจิตปรารถนานะว่าเนี่ยอธิษฐานในใจแบบนี้ว่าเนี่ยขอให้มีโชคมหาศาลนะมีลามีผลพุนทวีมีกินมีใช้ไม่หมดแล้วจะแบ่งไปทำบุญบ้าง หลวงพ่อเนี่ยนะท่านผลท่านหมดเสร็จนะเขาเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยพระพระเนี่ยที่จะสืบเงยหน้าขึ้นมาก็ศบตาหลวงพ่อสบตาหลว ง, งปู่แล้วหลวงปู่ก็พูดขึ้นมาว่าไอ้ที่ท่านคิดเนี่ยมันยังต่านะทําไมไม่คิดให้สูงกว่านี้แต่ถ้าคิดให้สูงแล้วเนี่ยนะไอ้ที่เหลือจะตามมาพระรูปนั้นยิงงงเลยนะไอ้หลวงปูน่นี่รู้ได้ยังไงว่าเราคิดอะไรนะแต่สิ่งที่ท่านทักเนี่ยนั้นน่าคิดนะ ท่านทักว่าเนี่ยที่ท่านคิดนะ่ะยังต่ำไปนะอะไรที่ที่คิดนะ่ะก็คือเนี่ยขอให้มีโชคมหาศาลมีลา ม, มีผลพุนทวีมีกินมีใช้ไม่หมดเนี่ยอันนี้หลวงปู่ท่านบอกว่าต่ำไปนะทำไมไม่คิดให้สูงนะคิดให้สูงคืออะไรนะก็อย่างเช่นให้มีสติมีปัญญานะมีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะไม่เปิดให้มานนะได้ช่อง นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันเนี้ยคือการที่คิดสูงหรือคิดไปถึงขั้นวนะ่าขอให้บรรลุพระนิพพานไปเลยนิพพานาปปยจจหตุกอันนี้ต่างหากนะที่ที่ชาวผู้เราควรจะหวังนะไม่ใช่หวังโชคหวังลาภนะแต่หวังให้จิตแจ้งเรามีธรรมะนะอันนี้เราคิดสูงเรื่องนี้ก็สอดคล้องกนะับที่ปูจจานเุเคยเคยตรัดไว้นะที่จริงก็ไม่เชิงไปพูดเจ้านะแต่ว่าเป็น เป็นเรื่องราวในชาดกนะชาดกก็คือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตเราคงทราบพระเจ้าเนี่ยก่อนที่จะตัดสรุปเนี่ยพระองค์ก็สวยพระชาตินะเป็นเป็นคนเป็นสัตว์นะต่างๆมากมายหนังสือที่รวบรวมอดีตชาติของพระองค์นี่ก็เรียกว่าชาดก500ชาติเนี่ยก็มีชาติหนึ่งพระองค์เนี่ยนะสวยพระชาติเป็นฤาษีชื่อว่ากันหาฤาษี การหาฤาษีเนี่ยบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรมได้ดีมากนะเรีอกบำเพ็ญตบะจนกระทั่งท้าวสักการ์หรือพระอินทร์เนี่ยนับถือแล้ววันหนึ่งท้าวสักกาก็เสด็จมาหากันหาฤาษีนะเพื่ออะไรเพื่อประทานพรสี่ประการการหาฤาษีจะขออะไรก็ได้ท้าวสักกาศ์จะประทานให้มีเงินแค่เดียวคือแค่พรสีประการ เราลองนึกดูสิถ้าเกิดว่าพระอินนี์มาหาเราบอกว่าจะประทานพรสิรประกันนะเราจะขออะไร <c oughs> การหาฤูสีขออะไรรู้ไหมแทนที่จะขอให้มีโชคมีลาบนะมีทรัพย์สมบัติมีอายุยืนหมื่นปีก็ บ, บอกว่าเนี่ยขอไม่โกรธไม่มีโทสะขอไม่โลกนะไม่มีสเสน่หา ดุเสเเหะสีข้อเนี่ยนะบอกว่าเทา้าสกกะอึ้งเลยนะอึ้งเพราะอะไรมันให้ไม่ได้นะแต่ว่าการหารูษีฉลาดนะเพราะรู้ว่าถ้าไม่โกรธนะไม่มีโทสะไม่โลภไม่มีเสนหะเนี่ยชีวิตจิตใจจะมีความสุขมากเลยนะขออย่างอื่นเนี่ยมันไม่ทำให้ มีความสุขได้เท่าไม่โลภ ไ, ไม่โกรธนะไม่มีโทสะไม่มีเสนหานะแต่ก็พรแบบนี้เท ว, เทวดาแม้แต่เท้าสาักา ก, าก็ให้ไม่ได้แล้วจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะต้องทำเองนะก็มีอีกชาตินึงนะงสวยประชาิเป็นอกิติหรือสีนะก็ ค, คล้ายๆกันนะบำเพ็ญตะบะจนเท้าสักากันเนี่ย นับถือสเสด็จมาเลยจะมาประทานพรสิบการนะอกิติฤสีขออะไรนะขอหนึ่งะนะนะขออย่าได้เจอคนพาล2ขออย่าได้ยินได้ฟังนะคนพาล น, นะขออย่าได้อยู่ร่วมกับคนพาล น, นะส่ข อ, อได้เจรจาปลาสัยคนพาลเพราะท่ารู้ว่าเนี่ย ถ้าหากว่าไม่ถ้าหากว่าทำสีอย่างนี้ได้นะีชีวิตก็จะนะมีประสบแต่ความเจริญนะอย่างที่เราทราบนะมงคล38ประการที่ข้อแรกก็คือว่าอาเศวันาจัปพาละนังการไม่คบคนพานอาการไม่ครบคนพ า, น, า, น, า น, นี่เป็นมงคลที่สูงสุดนะอคติฤศีก็ขอในสิ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลสูงสุดประการหนึ่งไม่ได้ขออายุวันนสุขาภรณ ท่านขอพรสี่ประการเสร็จนะท่านคิดสักพักท่านบอกเปลี่ยนใจละขอข้อเดียวนะอะไรรู้ไหมบอกว่าเท้าศั ก, กะิ์ยำมาหาเราอีกเลยนะขอ ข, อข้อเดียวเพราะอะไรถ้ามาลเลยจะทําให้เราประมาานะนะผู้อย่างราษาชาวบ้านคือการเป็นคนขี้ขอกอยเป็นคนที่พึ่งเท้าศักดิจะทําให้คลายความเพียรนะอากันยหาฤกษ์เชื่อว่าหรือมีความคิดว่าความเพียรเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญความไม่ประมาทเป็นสิ่งประเสริฐนะถ้าท้าส ก, กะมาเดี๋ยวทาให้ไม่รู้จักเครื่งตนนะทำให้คลายความเพียรเพราะนั้นขอข้อเดียวท่านอย่ามาเลยนะข้อนี้ท้าส ก, กะให้ได้นะแต่ไม่รู้เต็มใจให้หรือเปล่านะอันนี้เห็นเลยนะจิตวิญญาณชอบพุทธเนี่ยคือว่าเราไม่ใช่พวกช่างขอเนะียเลยพ่อพวกขอให้มีโชคมีลาบนะมั่งมีสีสุกเนี่ยนะไม่ใช่วิสัยชาวพุทธ พเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเป็นหลักประกันแห่งความสุขนะสิ่งที่จะเป็นหลักประกันความสุขคุณภาพจิตคือคุณภาพจิตคือไม่โกรธนะไม่มีโทสะไม่โลภไม่มีเซเนหะหรือว่า อ, อย่างน้นนอยๆเนี่ยถ้าจะเกี่ยวข้องกับผู้คนก็ขอให้เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องหรือว่าได้เจอแต่คนดีนะนะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับคนพาณ เพราะว่ากายนมิเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นอันนี้ผู้เจ้าตรัสไปเองอันนี้เราจะเห็นนะว่าถ้าพูดถึงพรเนี่ยในทัศนาชาวพุทธเนี่ยที่มีปัญญาเนี่ยนะเราจะเราจะเลือกอะไรนะซึ่งถ้าจะพูดง่ายคือว่าเราจะเลือกใจดีนะหรือการมีคุณภาพจิตที่ดี มากกว่าการที่จะได้นนได้นี่นะซึ่งเป็นของที่ไม่จรังยั่งยืนหรือว่าไม่ใช่ปหลัประการแห่งความสุขอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยการทำดีแล้วก็กลใจดีเนี่ยทำดีและใจดีเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญมากสำหรับชาวพุทธนะถ้าเราปรารถนาชีวิตใหม่นะอยากจะให้ปีใหม่นีมาเป็นปีที่ชีวิตเรามีความสุขนะก็คอยหมั่นทำดีแล้วก็ฝึกจิตให้ดีเข้าไว้นะจริงอยู่นะ มันอาจจะมีความผันผลป่วนแปลเกิดขึ้นกับชีวิตของเราความเจ็บความป่วยความพัดพปล่าสูญเสียนะคำต่อว่าดาทออุปสรรคความล้มเหลวในการงานแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าใจดีสักอย่างนะหนึ่งนอกจากจะไม่ทุกข์แล้วนะยังสามารถจะได้ประโยชน์หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นสามารถจะใช้สิ่งเหล่านั้นช่วยทําให้จิตใจเนี่ยจเจริญงอกงามในทางธรรม เกิดปัญญานะเข้าใจเห็นแจ้งในสัจธรรมก็ได้อย่างที่พระอาหารหันต์หลายท่านเนะี่ยท่านบรรลุธรรมก็เพราะการที่เจอความทุกข์ในชีวิตเช่นนางกีสาโคตมีเสียลูกแต่ก็เป็นเหตุปัจจัยทาให้ท่านบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะนางปตาจาราเสียลูกสองคนที่ยังเล็กเสียสามีเสียพ่อเสียแม่ เสียทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ภายในเวลาแค่วันสองวันติดติดกันแต่ว่ากลับกลายเป็นเหตุปัจจัยทำให้ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะความทุกข์เนี่ยมันเป็นเชื้อนะหรือว่าเป็นปุ๋ยที่ส่งเสริมปัญญาได้การตัดสรู้เนี่ยก็เกิดขึ้นจากความทุกข์นั่นแหละท่านติณฑทันเนี่ยพระเซนชาวเวียดนามท่านเขียนนะ เป็นภาษสิทสั้นๆว่าโนมัสโนโลตัสนะไม่มีโคลนก็ไม่มีดอกบัวนะไม่มีโคลนก็ไม่มีดอกบัวดอกบัวในที่นี้หมายถึงโพธินะเป็นเครื่องหมายการตัดสู่ดอกดอกบัวเนี่ยนะเราใช้บูชาพุทธเจ้าเพราะเป็นเครื่องหมายของการตัดสู่แล้วโคลนต้มก็คืออะไรโคลนตมก็คือความทุกขนะ์ความทุกข์เนี่ยนะ มันมีประโยชน์นะมันสามารถจะเป็นเครื่องรอเลี้ยงโพธิหรือว่าปัญญาง่ายเจริญงอกงามจนรู้แจ้งเห็นธรรมและพ้นทุกข์ได้เพราะอย่าไปกลัวทุกข์นะถ้าใจเราดีแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะในโอกาสขึ้นปีใหม่นะก็ขออ้างคุณพระสิริรัตน์ไตรนะไม่เพียงแต่จะอำํำนวยอวยผลให้ พวกเรามีอายุวรนน่สุขะภละเพื่อได้เป็นกําลังในการทําความดีงามเท่านั้นแต่ขอเราทุกคนได้มีความภาคเพียนนะในการสร้างสมคุณงามความดีและบ่มพ่อคุณภาพจิตให้เจริญ ง, งอกงามอ่าจนเข้าถึงความสงบเจ็นในจิตใจและเกิดปัญญาพาจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขอันกเกษมมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทิด